พูดว่าสวัสดีค่ะ FM 106 ครอบครัวข่าวกันอีกครั้งนึงนะคะกับดิฉันสังสรรณีนาคพงษ์ เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเช่นเองเคยได้ยินคําถามบางคนรุ่นใหม่ถามพระคุณเจ้าที่ไปแสดงธรรมแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็พูดถึงเรื่อง อันนี้คือคําถามนะใช่ค่ะก็น่าสนใจดีนะคะดิฉันเนี่ยจะเน้นสอนทางด้านนี้ใช่ ยกเรื่องที่ว่าเอ๊ะปัญหาคืออะไรอะไรไม่ใช่โอ้ยทุกข์ๆๆอันนี้ก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์อันนั้นก็ทุกข์ทุกข์ๆเรามาออกจากความทุกข์ตลอดหลุดชีวิตฉันก็ไม่ได้มีความทุกข์นะตื่นฉันก็มีข้าว นะอันนี้นี่คือเราต้องทําความเข้าผู้ปุชายแล้วกันเนาะผู้ชายก็พยายามที่จะบอกว่าเอ้าสิ่ง นะเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ที่เราต้องทําความเข้าใจเอ่อในทางคําสอนของพระเจ้า<ใช> แต่จริงๆแล้วในในความเห็นอาตมาเนี่ยนะคิดว่าคําสอนของพระๆแล้วทางแก้ร้ายแต่ถ้าเอออะไรมัน แล้วอันนี้คือความจริงที่ไม่ดีเนี่ยแก้ยังไงอันนี้นี่คือความจริงนะซึ่งพระเจ้าสอนตรง มันทำไมจะดีดีอันนี้ไม่มีสบายโหอากาศเย็นสบายใจนะทะเลไม่รู้ดำหรือเปล่าว่าที่สะอาดก็ยังมีอยู่นะแม เป็นอารมณ์อันเดียวแม้ตาทั้งหูหรือในใจ 1 เปเปเราทําความเข้าใจ 2 คุณต้องเข้า อย่างเช่นเราๆตัวโตแอร์นั่งเย็นสบายอันนี้คือมันเกิดมาจากผัสสะนะเพราะฉะนั้นนั่น คือโทษอันต่ําสามของสิ่งนั้นเช่นว่าเราเอ่ออร่อยลิ้นอยู่ปรากฏกินกินไปอ้าวแมลงวันอยู่ในนี้ <Okay. S 1> อันนี้คือธาตุอันต่ํา 3 ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะทุกข์คือหมายถึงว่ามันทนอยู่ไม่ได้นะมันทนอยู่ที่พูดถึงแง่ นัยยะดีในที่นี้คือหมายถึงรสอร่อยนะพุทธเจ้าใช้คําว่าอัสสาทะและสิ่งที่เราต้องเข้าใจสุดยอดที่ 8 อันนี้ 8 แล้วเราจะ นี่ก็เป็นนะพระจริงใช้คําว่าวิมุตติหลุดพ้นหลุดค่ะตรงตรงนี้ก็ค่ะเป็นอันว่าถ้าๆความสุข อยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าก็มีมุมดีของเค้าที่เรียกว่าเป็นอาถิวะเอ้ยเป็นอาสาทะรสอร่อยใช่รสอร่อยใช่แต่ในขณะเดียวกัน ก็เท่ากับว่าต้องมีความรู้กันแล้วกันว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช่นะคะเอ่อทีนี้ก็ มันหยิบของขึ้นมาอีกอย่างนึงอยู่ในมือขวา ของที่มีประโยชน์มากมีโทษน้อยนิด นะรูรู้บ้านโตโตนะอะไรความสุขที่ชาวโลกหูจมูกลิ้นกายมีรสอร่อยน้อยมีชั้น นะ, นะ, นะ, 1 2 3 4 การเว้นคุณรักษาศีล อืออ่าจะว่าไปสิ่งที่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามามองเปรียบเทียบกับการที่ เราเราพิจารณาเนี่ยค่ะอืมเหมือนทฤษฎีในการบริหาร analysis อะไรอ๋อๆก็จะเห็นจุดๆกันเพียงคล้ายๆอยู่ใน อะไรที่จับต้องได้ในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจับต้องได้ชัดแต่ในเรื่องวิมุตติเนี่ยอืมอ่ะอย่างอย่างเรา เอาล่ะเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้เช่นว่าถ้า ร่างกายจะสบายมันอ่ะค่ะค่ะนะคะนี้เราเนี่ยก็ไม่อยากให้ท่านฟังแล้วเสียเวลาอ่าอย่างไม่ๆคือพบ เป็นโทษของมันแล้วก็พยายามที่ใช่ๆเค้า สำหรับคนที่แม้แต่กระทั่งยังมีความรู้สึกพึงพอใจอยู่กับอ่า นะถ้าเราวางได้ปล่อยได้บ้างมันก็จะใช่อันค่ะนะคะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขยายพื้นที่ใน 106 อ่ะค่ะอ๋อใช่ จะกราบนมัสการท่านเผยบุญไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเจริญภาวนานมัสการกับท่านค่ะเจริญภาวนาท่านฝั่ง สำหรับแล้วก็ได้ประโยชน์กับท่านท่านที่ FM ครอบครัวข่าวกัน